ลำดับต่อไปนี้ให้เราทัางหลายทั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนบุญกุศลใหย้ยิ่งขึ้นไป พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสุขโขพุญญัสอุจัจโยการสั่งสมบุญให้นำมาซึ่งความสุขการภาวนาก็คือการสั่งสมบุญนี้เองเพราะภาวนาใหม่บุญสําเร็จได้จากการภาวนาและพระองค์ทรงตรัสเป็นบุญกุศลอย่างสูงด้วยเราให้ทาน ทั้งหลายหลายค ร, รยสสั้งจะโซ่รกษาสิ่ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาสิ่งทงมดตายวันจามวันช์รนน้อยหดขาดหดก็ไม่เท่าภาวนาสอนหนึ่งอันนี้ท่านกล่าวไว้มีอันิสงข์ขึ้นตามระดับฉะนั้นเราทั้งหลายเพิงทราบว่า การภาวนาเป็นการบําเพ็ญกุศลอย่างสูงพระเป็นการบําเพ็ญกุศลทั้งปวงรวมอยู่ในการภาวนาการภาวนานั้นเราต้องเสียสละเกิดอยู่ในฐานการสละถ้าเราไม่สละ จิตใจของเราก็ไม่สงบแม้แต่อารมณ์ภายนอกที่เราเคยคิดเคยนึกต่างๆเราก็ต้องสละแม้แต่ความสุขที่เราเคยมีอยู่เล็กๆน้อยๆจากการเปลี่ยนอิรยาบทต่างๆจากการไปที่สถาน ท, ที่ปล่อยอารมณ์ต่างๆไปตามที่โลกเนายมว่ามีความสุข เราก็สละแม้แต่สละที่นั่งที่นอนที่สะดวกสบายในบ้านในช่องของเราเราเข้ามาถึงแม้ว่ะสถานที่ขับแคบไม่สะดวกไม่สบายาเราก็พยายามตั้งใจทำเพราะเป็นบุญถ้าเราละลึกปฏิปทาขององค์สมเด็จพระชมาท้พุทธเจ้าแล้ว พระองค์เป็นผู้เสียสละยิ่งใหญ่เพื่อต้องการภาวนานับตั้งแต่พระองค์เสียสละจากราชสมบัติเสียสละความสุขต่างๆที่พระองค์เคยได้รับมาพรรองเข้าไปอยู่ป่าอัจจะัาดขาดแคลนทุกอย่าง พระองค์เคยมีบริวาล น, นับเป็นหมืนม่นๆพระองค์เสียสละหมดไปอยู่พระองค์เดียวหมอเข้าหมอแกงก็ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจ ะ, จะซื้อกินก็ไม่มีเรียกว่าเสียสละยิ่งใหญ่เรานี่เราทั้งหลายสะดวกนักหนา มีบ้านมีเรือนมีที่นั่งที่ในยางอ่อนนิ่มสะดวกสบายไม่มีมดแมลงอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเราควรเอาความสะดวกสบายในยตั้งใจประกอบความเพียรอย่างเป็นที่เหมือนกับเรานั่งอยู่เวลานี้ไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลย ใหจิตมีสติรอบครอบโดยอุบายอันแยกคายในการปฏิบัติของเราไม่มีอะไรขัดข้องที่ขัดข้องอยู่เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจยังปรับปรุงความเข้าใจภายในจิตใจของเราให้ตรงทุกต้องยังไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นเราควรปรับความเข้าใจตกลงจิตใจของเราเมื่อเราจะภาวนาเราก็ต้องสละแม้แต่ร่างกายเมื่อเราจะดับสายจิตอบรมจิตเราก็ต้องร่างกายก็ต้องปล่อยวางเพื่อมารู้แต่จิตศึกษาในเรื่องจิต หรือถ้าเราศึกษาในเรื่องกายเราก็ไม่กังวลในเรื่องจิตเพราะตัวของเราซึ่งเราจะยกขึ้นมาศึกษาและปฏิบัติเราศึกษาได้ทั้งสองอย่างคือทั้งรูปธรรมและนามธรรมารูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกาย นา ม, มาทมได้แก่จิตใจแต่เราจะดูสิ่งใดเราก็ดูแต่สิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ชัดตามความเป็นจริงคือเราต้องการรู้จริงจากความรู้จำเราต้องการทำจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นอันถูกต้อง การรู้ตายมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากทีเดียวเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเรียกว่าธรรมกรรมฐ า, านเพราะทุกนันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่ามีความไม่รู้เป็นมูลเหตุเรียกว่าอาวิชชา ความไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้โรคแระจันไม่ใช่ไม่ไม่รู้ดาวเคราะห์ต่างๆไม่ใช่ไม่รู้แพ่นดินว่ามันหนาเท่าไหร่หรือน้ำฮาสมุดมีเท่าไหร่คนพ้นโลกมีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่รู้อย่างนั้นคือไม่รู้ความจริงที่มีอยู่ในกายของเรานี่เองในตัวของเรา ท่านยังเรียกว่าไม่รู้แะรู้สิ่งอื่นสักเท่าไรก็ตามเรียนสาเร็จปริญญาสูงขนาดไหนก็ตามแต่ทาไมรู้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราท่านเรียกว่ายังไม่รู้ธรรมเราจะเห็นสิ่งอื่นเที่ยวไปดูไปรู้ไปเห็นมากมายเท่าไร่ก็ตาม แต่ในศาสนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้จัดเข้าเป็นความรู้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นชัดในส่วนต่างๆของกายที่มีอยู่ในกาย เพราะเห็นอย่างอื่นนั้นที่ศึกษาสำเร็จมหาวิทยาลาัยต่างๆไม่สามารถจะทำจิตใจให้สงบให้หมดจดบริสุทธิ์ได้การกระทำจิตใจให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์พ้นจากความอิจฉาริษยาพ้นจากอภิชาและโทมนะั์ ได้นั้นจะต้องพูดฝึกอบรมให้จิตนี้ได้รู้ตัวของเราคือกายบ้างตัวของเราคือจิตบะาทีนี้จะพูดถึงตัวของเราแล้วบางคนก็จะอาจจะมีจิตใจสูงว่าไม่ใช่ตัวของเราเป็นอนัตตาเลยอนัตตาเดิดๆไปเลย ดยไม่สามารถจะถอดถอนทิฏฐิความเห็นอันนั้นได้ก็เลยอนัตตาทั้งเปลือกเมื่อเรากำลังเจริญอยู่ยังปฏิบัติอยู่เราก็ควรว่าอันนี้เป็นของเราก่อนแม้จ่ตัวพทธเจ้าก็ว่าอัยังข้อเมกายโยกายของเรานีนแหละ อางไม่ได้ปฏิเสธส่วนอนัตตานั่นเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วมันจะบอกเราเองเราไม่ต้องบัญญัติอนตัตตาอนาตัตตาโดยธรรมแล้วไม่มีใครบัญญตัติเมื่อมันรูปไปรูปไปแล้วมันก็แจ้งไปจากในจิตใจของเราเอง มันพ้นจากการบัญญัติอนัตตาโดยธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องเพื่อพิบัติอยากรู้นี่แล้วเราก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราก่อนเพื่อเราจะต้องศึกษาให้รู้ความจริงก่อนเราจึงทิ้งได้ถ้าเรายังไม่รู้เราทิ้งก็ไม่เป็นอันทิ้งเดี๋ยวก็กลับมาหลงอิบ มาคลองเอกมาแบบพระเอกพระจรต้งการศึกษากายเกี่ยวเนื่องโดยชีวิตที่มีอยู่ในร่างกายด้วยท่านจึงซอนให้เราสวดในอภินหาปเจเวคณะทุกวันทุกวัน ถึงแม้ว่าเราไม่รู้อย่างอื่นไม่ได้จบเรียนจบอย่างอื่นก็ตามแต่เรามารู้รูปคือร่างกายของเราตามความเป็นจริงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญาอันชอบชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา เพราะความรู้ที่พระองค์จัดเข้าในปัญญานี้ที่สามารถจะมาแก้ปัญหาในทางจิตใจที่มันมีความรุ่มร้อนให้เย็นที่มีความวุ่นวายให้สงบที่มีความเศร้าหมองให้สะอาดหมดจดเพราะปัญญา เห็นในส่วนจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งจินือวิสัยที่ปัญญาเราธรรมดารู้ไม่ได้หรือเห็นไม่ได้ถ้าเราเพียรพยายามเอาใจใส่สอดส่องและความจริงต้องเป็นความจริงต้องการปฏิบัติให้จริง มันก็เห็นเป็นความจริงมันอย่างคำเหมือนกับพระองค์ทรงสแสดงว่าชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเราตั้งจิตใจของเรากลางกลางไม่อคติไม่เข้าใจว่าเรามีความสุขเพราะมีข้าวมีของมีเงินมีทอง <c oughs> มีลาบมียศมีเครื่องใช้สอยสมบูรณ์อดุดมสมบู์ ถ้าเราเอาอั น, นี้มาพูดแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ทั่วถึงความจริงถ้าเราพิจารณาศึกษายละเอียดความจริงที่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุเข้าของเงินทองเกี่ยวเนื่องโดยกายพิจารณาตามเรื่องให้มันยาวมันลึกละเอียดไปสักหน่อย แล้วมันเป็นแต่เพียงอาศัยโชโครุ่มโชคราวเท่านั้นท่านเพงใดเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้เราดเราีเรามั่งเรามีเราสุขสนุกสนานถ้าเป็นความสุขจริงแล้วมนุษย์ ที่เกิดมาก็ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาดกันไม่แก่งแย่งกันฟ้องร้องกันตลอดถึงลักขโมยโกงซึ่งกันและกันถ้าความสุขละ่ะให้เราตรองดูให้ละเอียด ทำไมถึงพระพุทธเจ้าและบัณฑิตแต่บดาแดนจังห่ะที่เคื่งอย่างอื่นของเราไม่มีพุทธโธคือพระพุทธเจ้าท่านั้นเป็นที่เึ่งของเราอย่างเประเผยเวลารับศีลกับพุทธทางสานังกระฉามิทำมังสนังกระามิสังขังสนังกระามิไม่แต่ แต่พระติเจ้ากระทำประส ống, งคงง์เป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงบ้านช่องเป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงเงินถึงทองถึงข้าวถึงน้ําเป็นที่พึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นที่พึง ให้ความแสงสว่างแผ่นดินเป็นเตยเพึ่งให้เราอยู่อาศัยมิตตประพุทธประธรรมประสงค์เป็นเตยเพึ่งแล้วเอเตนสัจจวตัตรเจนะเป็นคำกล่าวนี้ไม่ใช่กล่าวเล่นเป็นสัจจวัจากเป็นความจริงด้วยฉะนี้เราจะเห็นจริงหรือเปล่าตามคำติธรรมว่า เราแน่ใจนะหรือว่าประพุทธประธรรมประสงค์เป็นตัวพึ่งของเราจริงๆพึ่งได้อย่างไรตรงไหนหรือเราเปล่าตามลอยๆไปเขาว่าเขาว่าตามเขาไปการเราว่าตามเขาลอยๆโดยไม่เป็นตัวของตัวเองยังไม่มั่นคงศรัทธายังไม่มั่นคงถ้าเราต้องการให้ความเชื่อ ความเริ่มสายของเรามั่นคงนะั้นเราจะต้องยึยยกปัญหาอันนี้พิจารณาเพราะเราทั้งหลายตรวจดูที่พึ่งของเรามั่นคงอะไอย่างเราอาจมีอะไรบ้างพอเราที่จะมั่นคงในชีวิตเป็นประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตหรือเป็นสิ่งที่มั่นคงที่แน่นอนไม่ใช่ประกันชีวิต ไม่ใช่ประกันไม่ให้คนตายแต่เพียงแต่ตายก็ได้เขาให้เงินมามาเผามาฝังมาใช้ใจ่ายเท่านั้นเองส่วนบริบรษัทประกันชีวิตแท้จริงนั่นพระพุทธเจา้าชีอลงพุทธบริษัทที่บุคคลไม่มีความประมาท บริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทภิกษุบริษัทภิกษุหนึ่บริษัทบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมเลึกรู้อยู่เสมอไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังแน่นยังเป็นเด็กอยู่ไม่ประมาทในความไม่มีร่ ไม่มีภัยเมื่อกว่าเรามีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เปลี่ยนกลัวใครไม่ประมาทในชีวิตเมื่อกว่าเรายังหนุ่มยังน้อยจะมีชีวิตอยู่นานต่อไปอีกสิ่งเหลนี้ใครรับรองรับประกันเห็นมากต่อมากแล้ว ต่อหน้าต่าตาเขาเกิดที่หลังายก่อนก็ไปบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็ตายไปเกิดมาไม่กี่ปีก็ตายไปเกิดมากําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกาลังศึกษาความรู้กําลังจะจบจะได้ใช้การใช้งานก็ตายกันจบ ก, กันไปอะไรเล่าเป็นเครื่องประกันชีวิตที่ใ้จริงหลักคําสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ประมาท เป็นทางไม่ตายบุคคลผู้ประมาจคือตายแล้วอันนี้พระองค์อาศัยปัญญายาณที่พระองค์ในจักรสรูมองเห็นการทเที่ยวของมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาจาทำแต่ความดีถึงแม้เขาละร่างอัตภาพอันปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่ได้สุดโทรมและเสื่อมโซม เขาเมตติที่ประเสริฐที่รุ่งเรืองต่อไปอีกไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ตกตามเพราะเขาไม่ประมาทพระองค์เห็นชัดอย่างนี้พระองค์จึงได้กล่าวที่ทพ่งติดแท้จริงคือความไม่ประมาทเราทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาอบรมฝึกธากปฏิบัติเพื่อบำรุงความไม่ประมาทนี่เอง ตามรักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ชาวเราทั้งหลายสร้างกำลังใจศรัท ธ, ธาความเชื่อความเริ่มใสขึ้นมาเมื่อกำลังใจคือความเริ่มใสในธรรมคาสอนของพระองค์ที่เราได้ตรวจรองเห็นชัดตามความจริงนะเราก็จะได้ลงมือมีความเพียรพยายามปฏิบัติ สร้างกำลังคือสติสร้างกำลังสมาธิพยายามสอดส่องปิจิตรพิจารณาเอ่ยอุปายอันแยกถ่ายเพื่อให้เกิดปัญญามีความเห็นชอบ เป็นสัจจะวาจาเป็นความจริงทุกคำทุกคาถ้าเราไม่พิจิตพิจารณาเหมือนกับเป็นคำที่เราได้ยินผ่านไปตามธรรมดาแต่ถ้าเราพิจารณาลึกซึ้งแล้วไม่ใช่เป็นคำธรรมดาเป็นคำที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าอันสูงมากทีเดียว ที่เราสวดกาวารกาบเคารพกราบไหว้อรหังสวัสดิ์ค้าโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมสิพระผู้มิพระภาคยาวก่าบดีแล้วทำมังนมัสสามิเรากราบพระธรรมก็คือกราบสัจจะวาจาที่พระองค์ทรงตรัสในธรรมอันหลักแห่งความจริง น, นี้เองที่ให้เกิด ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลิศใจถ้า พ, พึ่งปฏิบัติตามถูกต้องแล้วได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นคําที่กล่าวหยบย่องลอยๆเป็นโคมลอยไปเฉยๆมีความจริงที่ให้เราพิสูจน์ได้ตลอดเวลาให้เราเชื่อได้ทั้งเหตุทั้งผล ขอให้เราทั้งหลายพยายามพิสูจน์ในตัวของเรานอกจากที่เราจะพิจารณาดูกายเพราะเราที่เห็นเพราะเป็นของที่อยากเห็นได้ง่ายกว่าดูจิตเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้า ได้วางไว้ให้ปฏิบัติทีแรกกรรมาฐานห้าอย่างมีเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังว่าอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาเพราะสิ่งเหล่านี้เราเห็นชัดได้โดยตาจะเป็นสัญญาที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะคิด เพ่งพินิษฐภาวนาก็จะใช้สัญญาก็สัญญาที่ตาเห็นได้ถูกต้องผมมีลักษณะอย่างไรเราก็เห็นชัดโดยตาแล้วมาอบรมใจให้เห็นอีกทีหนึ่งเมื่อใจสงบใสสะอาดแล้วใจก็จะได้เห็นชัดตามไปด้วยเป็นความจริงไปด้วย ผมในเบื้องต้นเมื่ออายุมากไปแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างไรกลิ่นของผมเป็นอย่างไรสีของผมเป็นอย่างไรที่เกิดของผมเกิดอยู่ตรงไหนอาศัยอะไรจึงอยู่ได้เราสามารถอสอดส่องพิจารณาโดยสันฐานโดยที่เกิดโดยความไม่สะอาดพิจรารณา โดยลักษณะที่ไม่เทียงที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดด้วยถ้าเราเห็นชัดในผมเท่านั้นแหละเราจะดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อพล่อดูไปส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยก็ดูได้ง่ายเมื่อเห็นอันหนึ่งชัดแหละอันอื่นก็พร้อยชัดๆไปด้วยก็ไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนี้ พอเราเห็นความจริงเนี่เรามาลงยึดมั่นถือมั่นในอนัตตามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณากรรมฐานนั้มังแก่กล้าลเราจะเห็นแัดที่เป็นอนัตตาเพราะมันเป็นของภายนอกแท้ๆความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงสิ่งตรงนั้นเขาไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย ทีนี้เมื่อเราดูอันนี้ ร, รู้พอตามความจริงพอสมควรแล้วเราก็มาตรวจดูใจแต่กลับมาดูใจเวลาเราดูใจเราก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องกายเรามาดูแต่ใ จ, ใจผู้คิดอารมณ์ผู้นึกอารมณ์และผู้เฉลยอารมณ์ แล้เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธติดธรรในนี้ก็นั่นะใจผู้ให้สติเจลึกใจผู้ให้ความรู้ตัวใจผู้ให้ความเพียรเกิดขึ้นใจเป็นผู้ให้สมาธิตั้งมันใจผู้ให้ปัญญาสอดสอง มันออกจากใจทางนั้นท่านเรียก่าเจตสิกธรรมเป็นนามธรรมด้วยกันแต่เป็นนามธรรมที่ฝ่ายกุศลที่มีอุปการะต่อจิตใจเป็นสหชาติในฝ่ายกุศลเป็นสหชาติในนามธรรม ในการใดเมื่อกุศลเกิดขึ้นกุสลังจิตังอุปนังโมติเมื่อการเมื่อกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ยอมอบรมจิตให้ฉลาดยินดีน้อมไปในทางสร้างความดีมีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนาเหมือนกับเราทั้งหลายที่ทามาทุกวันทุกวันนี้แหละเรียกว่จิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วให้น้อมมาในการปฏิบัติ รักษาสินทมบุญให้ทานการกุศลต่างๆตลอดถึงมาทำสมาธิภาวน า, าเป็นเหตุให้เราเพิ่มพูนศรัทธาและความเพียรของเรา บำเพ็ญให้ทาให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นกําลังใจเมื่อเราปฏิบัติไปไม่ลดละวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งใจไว้คอยเราทั้งหลายย้ายยืนอยู่อย่านั่งอยู่อย่านอนอยู่ให้จะเกียรตะกายพยายาม คืบคลานไปครา้งหน้าเรอยๆก้าวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้ี่เระเล็กจินระน้อยเทไรไรเราไม่จ้องกำหนึงถึงขอให้ทำขอให้ปฏิบัติอยากเข้าใจว่าเราภาวนาจิตไม่สงบไม่เห็นว่าได้อะไรมันได้ฝึกได้รู้ได้โดยเราไม่รู้ว่าได้นั่นแหละ ถ้าการกระทำํำทำทุกวันทุกวันดูแล้วมันก็ความรู้ความฉลาดความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราก็มีขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องคําว่าได้นั่นไม่ใช่ว่าได้เอามานับเหมือนกระเราได้เงินได้ทอง ไดดย้ยรู้ได้เลยสติระลึกรู้ของเราสติให้เกิดมีความรู้ตัวถ้าเราต้องการสงบเราก็ตัง้งจิตสร้างความสงบขึ้น วิธีสร้างความสงบก็คือปล่อยวางอะไรอะไรทั้งหมดแล้วมาดกษาจิตพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวคิดว่าเราสละให้หมดไม่มีอะไรเหลือเแล้วแต่ผู้รู้คือพุโทโธเราพึ่งทันใดพึ่งของเราทันนั้นนอกนั้นพึ่งไม่ได้ใช้ปล่อยทิ้งถ้าเราต้องการความสงบต้องการปล่อยวาง ยังปล่อยวางไม่ได้เราก็พิจารณาทําไมปล่อยไม่ได้รักชอบตรงไหนเป็นของเราตรงไหนเราหลงตรงไหนก็เราพิจารณาแล้วอ น, นิจจังก็เชืนอยู่ในสิ่นนี่ไม่ใช่หรือทุกขังก็อยู่ในสิ่นนี่ไม่ใช่หรืออนัตตาเราก็พิจารณาแล้วทําไมจะมาหลงอะไรเล่าเราก็ตรวจตรวจ ด, ดูเอกจน จิตยอมรับความจริงของนี่แหละถ้ายังไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางให้สงบนะถ้าจิตมันแน่จริงถ้ามันเห็นจริงมันรู้จริงต้องสงบต้องดับคือนใโรสความดับทุกข์ถ้าปัญญามันเต็มเปี่ยมเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์แนละ้วมันก็ต้องดับ เพราะมันตัดกิเลสที่เราเห็นอนิจจังทุขังอนัตตาพ็ปัญญาเนี่ยมันเห็นเบื่อหน่ายมันปล่อยวางมันตัดออกได้้ามันตัดออกจริงๆมันก็ต้องสงบคือในโรธคือความดับ้ามันยังไม่ดับความเห็นของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าพอ ยังมีสัญญาสังขารปูงแต่งไปช่วยไปแทรกซึมอยู่ยังไม่ละเอียดพอแล้วก็พิจารณากำลังสมาธิต้องให้มั่นพอความเห็นต้องให้บริสุทธิ์พอสงบพอไม่เป็นสิ่งเลือวิสัย เพราะเราได้อาจภาพมาเป็นมนุษย์ได้ฐานะอันดีมีเครื่องมือสมบูรณ์บริบูรณทุกอย่างทางั้งทางโลกทั้งธรรมก็มีอยู่ในตัวของเราหมดถ้าเรารู้จักธรรมเราก็รู้จักโลกถ้เรารู้จักโลกเมื่อเรามาศึกษาธรรมแล้วมันก็จะเห็นชัดเพราะมันเพียงแต่ความ รูปกับความหลงท่านั่นเน่ยมันทำให้เป็นโลกเป็นธรรมเปรียบเหมือนภายนอกเพียงแต่ดวงอาทิตย์มันบังมันมืดท่านั้นแหละได้มีปฏิกิริยาสมมุติขึ้นไปหลายอย่างแท้จริงก็มืดกับสว่างท่านั่นธรามันสว่างไม่มืดคนก็ไม่ได้เรียกแบบวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุทธหัสถ์สุขเสาร์ไม่มีถ้ามันสว่างอยู่ตลอดวันจะเอาอะไรมากําหนดไหมายทาราก็ไม่มีอะไรมาปกปิด ถ้าจินดวงอาทิตย์ไม่เคยมืดเลยมันก็สว่างในตัวของมันอยู่ตลอดไม่เคยมืดแม้แต่ขณะเดียวที่มันมืดนี่เพราะโลกมันมืดมเพราะโลกของเราไปบงังเพราะฉะนั้นคำว่ า, า, าโลกโลกก็คือมันมืดนั่นเองสัตว์โลกก็คือสัตว์มืดไม่ เมื่อคือไม่มองเห็นทำไม่รู้ทำไม่รู้ทางผิดไม่รู้ทางถูก้ต้องการความสุขกต่ทำไปทำไปก็ได้แต่ทุกข์ต้องการไม่มีเวรไม่มีภัยทำไปทำไปก็ได้จะเวรได้จะ่ภัเพราะความไม่ฉลาดของจิตใจนั่นเองเท่าเมืดนั่นเอง นี่รูปเปรียบจะเพียงเท่านี้แหละยังมีปฏิกิริยาเพียงแต่เมื่อกับสว่างการหมุนเวียนของโลกเท่านั้นนอกจากที่จะมันเมื่อกับสว่างอาทิตย์จันท์การประหักสุกเสาร์ที่เรานับไปแล้วที่ปรากฏขยับไปขยับไปพอเปเปล่าไปเห็นหมุนไปถึงดาวดวงนั้นก็ก็เลยวันนั้นก็เรียกว่าวันอาทิตย์วันนั้นเรียกว่าวันจันทร์ วันนั้นเรียกว่าวันนังคาเพราะไปเห็นดาวดวงนั้นดาวเลยอยู่เฉยๆบนท้องฟ้าก็ยั้งมามีปฏิกิริยาชีวิตมนุษย์ว่าดีไม่ดีให้ผลได้ให้ผลดีแก่มนุษย์ไม่เห็นดาวดวงไหนที่มาทําลายกันไม่เจ่มนุษย์หรืไม่เจอปากมนุษย์เนี่ยเทียงกันทะเลาะกันไม่เจอแขนขามนุษย์จะประหัตประหารกันเบียดเบียนกัน ได้รับทุกได้รับับความเดือดรอ้อนไม่เห็นสิ่งอื่นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มองเห็นว่าสิ่งอย่านั้นถ้าองค์ตรัสรูปขึ้นในโลกก็เพราะเพื่อมาแก้ความหลงอันนี้เองเพราะอันนี้เขาถือมานมนานแล้วเราเชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ความจริงแล้วมาปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้อง เพื่อจะได้สั่งสมบุญประมให้อินย์ของเราแก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปท้ให้กำลังเต็มเพียงเพม พ, พอเราก็สามารถที่จะรูกพ้นจะทุกข์ได้ความสงบสุขสาดบริสุทธิ์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่ง หมดความสามารถยังมีอยู่ให้กับได้เรามีอัตภาพร่างกายมีจิตใจมีกําลังวังชาศาสนาก็ยังสามารถที่เราจะปฏิบัติได้อยู่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้คอยเราเอาใจใส่แต่เราปล่อยจิตใจของเราให้มัวเมาขนองไปในอารมณ์ต่างๆ ของโอกวันหนึ่งวันหนึ่งมันมากกว่าที่เราจะดึงมาทางธรรมเรามานั่งพุทธโธพุทธโธสามสิบนาทีแล้วก็ทนไม่ไหวเจ็บปวดเกิดฟุ้งซ่านเกิดราคาญ เ, เกิดง่วงเงาเฮานอนอยากรลับอยากนอนขี้เกียจขี้ข้านขึ้นม า, าก็ดูวันหนึ่งยี่สิบเจ้โมงกับเรามานั่งสามสิบนาทีเราให้ความสำคัญในการสมาธินิดเดียว ให้ความสาคัญอย่างอื่นโดยที่ใช้เวลาหม้อภัยทั้งโลกไปหมดที่เราได้มีความรู้ความกระจายจะเนื่มมันก็สมเหตุสมผลแล้วถ้าหากเราต้องการความรู้ละเอียดให้สมบูรณ์กว่านี้เราก็ต้องแบ่งเวลาทำให้มากกว่านี้แต่บางคนก็ไปนั่งเล่นไพยทั้งคืนก็นั่งได้เวลามานั่งสมาธิสามสิบนาทีก็ ติดซ้าคติดขวาไปนอนไปนี่อยู่ตลอดมาไปนั่งดูนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงจะมานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฉลาดในทางทรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างไรเมื่อจิตของเราไม่ได้ฝึกฝนอบรม เท่าเทควรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพียเพยายศึกษาเพื่ออยากรู้ความจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตใจของเราด้วยปัญญาอันชอบของเราก็อบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาเราจึงจะรู้ได้แต่ใดจิตใจของเรายังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญาอยากรู้เท่าใดมันก็ไม่รู้อยากเห็นเท่าใดก็ไม่เห็นอยากเข้าใจอยากละกันไม่ได้ เพราะขาดปัญญาเพราะฉะนั้นการปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องภาวนาทำเวลาใดควรสงบจเรจริญจิตใจให้สงบก็สงบเวลาใดควรพินิจพิจรารณาสอดส่องก็ควรสอดส่องทําได้อยู่อย่างนั้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสยัย เราเข้าใจแล้วตางใจศึกษาและปฏิบัติตามวัญญายธรรมมาวันนี้สมควรป็นเวลาสมุทติทนี้ก่อน